สิบสองทุบพระจะสิกขาบทเพราะการไม่สละจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ว่ายากต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งจบย ต, ติต้องอาบัตทุกกฎสองจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลัจใจสาม จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ